ทวสสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสัสนสีสนทนามาอีกแล้วนะคะทางสถานีวทิทยุเดิมเช่นเดียวกันก็คือครอบครัวข่าวเอ0มร้อยหกในาการดูแลของสทรคือทางทหารเรือรายการนี้จะพบกับท่านที่นี่ก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนดิฉันจะมาร่วมสนทนาด้วย ในวันพระหัสโซบดีกับวันศุกร์นะคะหลักนั้นก็จะมีพระมหาภัยบุญอภิบุญโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีเป็นผู้ที่ให้ธรรมะตัทพันทั้งหลายคือเราสนทนากันเนี่ยไม่ว่าจะมีไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรหลักของเราก็คือคำซ้อนของพระาศาสดาหรือที่เรียกว่าเป็นพุทธวจนะพุทธพจน์นั่นเองนะคะเช้าเช้าแบบนี้ บางคนตื่นมาในฤดูร้อนก็รู้สึกมันร้อนดิฉันกําลังเข้าใจว่าความรู้สึกที่ร้อนนอกเหนือจากเรารู้สึกได้เองนะบางทีการที่เราติดตามชมข่าวฟังข่าวเดี๋ยวนี้เรื่องข้อมูลข่าวสารเหมือนกับอากาศนั้นคะมันซึมเข้ามาได้โดยไม่ต้องไปสแสวงหาอยู่รอบตัวเราไปหมดเราก็จะมีความรู้สึกร้อนไปตามตัวเลขอุณหภูมิที่เขาแจ้งด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นก็บอกว่า 42ปุ๊บตอนแรกเราก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนหลังเราก็เสพข่าวเสร็จจะรู้สึกร้อนหนักตามอันนี้ดิฉันคิดไปเองนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่ามันก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกันนะเราไปกราบน้ำมัสการถามท่านพระบูรุอีกครั้งหนึ่งให้ท่านให้คาถาอีกสักครั้งหลังจากที่บอกไปแล้วว่าพระพุทธเจ้าทำอย่างไรเมื่อรู้สึกร้อนกราบนมัสการท่านคะยามบานค่ะเป็นไปได้ไคะท่านคะคือเหมือนกับว่า ร้อนก็รู้ร้อนอยู่แล้วแต่พอได้ยินข่าวดูข่าวว่ามันร้อนมากอย่างโน้อนอย่างนี้แล้วความรู้สึกเราจะเป็นตามไปด้วยเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าจิตเนี่ยพอ ม, มันรับรู้ข้อมูลแล้วแล้วมันก็จะน้อมไปในในเรื่องราวต่างๆได้เพราะฉะนั้นบางทีเราเราคิดไปเองทำให้กายเราก็รู้สึกร้อนขึ้นมาเอาเอายกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นถ้าเราลองหลับตาแล้วเรานึกถึงเราไปปอก มะนาวอย่างเงี้ยเราบีบใส่ปากเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้มีมะนาวจริงๆนะแต่ถ้าเราไปทําการทดลองตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันเหมือนกับมีน้ําลายออกมาจากปากเหมือนกับเวลาที่เรากินมะนาวจริงๆอืนนมวันที่รู้สึกที่ที่ที่อะไรนะคะตอ่อเนืาองไปหลานหูอเลยมันจะใช่จิตตรงนั้นเลยทั้งๆที่ไม่ได้มีมะนาวจริงๆอันนี้คือจิตเรามันคิดไปอข้อมูลข่าวสารมันก็ทําให้จิตเราน้อมไปในทางนั้นเช่นเดียวกันแล้วถ้าหากว่าจะเป็น พุทธพจน์ทีท่ตรัสเอาไว้ถึงคุณสมบัติของจิตอย่างนี้จะเป็นอย่างไรคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้พูดถึงว่าจิตเนี่ยเป็นใหญ่เนจิตเนี่ยเป็นใหญ่จิตเนี่ยเป็นหัวหน้าทุกอย่างเนี่ยถูกจิตนําไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะฝึกจิตได้เนี่ยจิตมันก็จะไปตามอํานาจของมันเนีพระพุทธเจ้าจึงแนะนําว่าให้เราฝึกจิตให้อยู่ในอํานาจอย่าตกอยู่ในอํานาจของจิตเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่สามารถฝึกจิตให้อยู่ในอํานาจได้ แล้วเราไปตกอยู่ในอํานาจของจิตเนี่ยแล้วจิตมันจะไปอยู่อํานาจของใครจิตมันก็จะไปอยู่ตามอํานาจของสิ่งที่มันมากระทบนะถ้ามีสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็จะไปอยู่ในอํานาจของสิ่งนั้นมันก็จะพาเราขึ้นขนลงๆตามความชอบความไม่ชอบของสิ่งที่มากระทบนั่นเองฝึกได้ใช่ไหมคะถูกต้องจิตสามารถฝึกได้จิตสามารถฝึกได้ฝึกนานสักแค่ไหนมันถึงจะอยู่ใต้อํานาจของเราค ะ, คะท่านคะ อยู่ที่กําลังจิตของแต่ละคนอยู่ที่วิธีการด้วยนะอยู่ที่ความพยายามคือมันอยู่ที่เหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าได้พูดถึงกําลังอยู่ห้าอย่างแต่นะว่าคุณจะฝึกจิตได้เร็วหรือได้ช้าเนี่ยอยู่ที่ศรัทธามีไหมอยู่ที่ความเพียรด้วยใส่ความเพียรเท่าไหร่สติด้วยสมาธิด้วยแล้วก็ปัญญาด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นเองอมีประเด็นเพิ่มเติมตรงนี้ที่พูดถึงว่า จิตเนี่ยมันจะไปตามอํานาจของสิ่งอื่นถ้าเปลว่าเราไม่ได้ฝึกให้จิตอยู่ในอํานาจใช่ไหมจิต <Okay. S 1> เราตกอยู่ในอํานาจของจิตเนี่ยพอเราตกอยู่ในอํานาจของจิตปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเป็นทุกข์เพราะว่าจิตเนี่ยมันก็จะไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาสิ่งที่มากระทบซึ่งถ้ามีภาษาที่น่าชอบใจมาผ่านมาทางตาหรือหูจิตก็จะเพลิดเพลินไปตามแล้วเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งนี้ถ้ามีภาษาที่ ไม่น่าพอใจมากระทบทางตาหรือหูจิตมันก็จะเศร้าหวงก็ไปตามภาษาที่ไม่น่าพอใจเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งนี้ค่ะอันนี้หมายถึงว่าเป็นไปตามอำนาจจิตของตัวเราเองถูกไหมคะคื อ, ค, อคือเหมือนกับว่าแพ้จิตของตัวเราเองถูกต้องถูกต้องแพ้จิตจิตเนี่ยมันหลอกเราอยู่แต่มันหลอกตรงไหนมันหลอกตรงที่ว่าให้ไปยึดสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนี้นหรือไปยึดถือสิ่งนั้นๆพอมันหลอกเราตรงนี้ปุ๊บเราก็อยู่ในอำนาจของมันเราก็ออกมาไม่ได้ ค่ะในกรณีนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าอไม่มีใครมาทําอะไรเราแต่ว่าธรรมชาติมันธรรมชาติของเราเนี่ยถ้าเรารู้ไม่เท่าทันก็สามารถที่จะทําให้เราเกิดความทุกข์ ไ, กได้ถูกไหมคะถูกต้องทีนี้ดิฉันจะกลัียนถามท่านอีกอย่างนึงว่าพอเด็กๆ เ, เราดูอะไรมากๆรู้จักคําเนี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันไหมคะอ่าที่เขาบอกว่ามีการสะกดจิตสะกดจิตเนี่ยฟังดูเหมือนกับคนอื่นมาม า, มาใช้อํานาจเหนือเรา ในเทคนิคของเรื่องการสะกดจิตเนี่ยเขาเขาจะเหมือนกับว่าควบคุมจิตของเราได้ผ่านทางโดยการใช้คาพูดใช่หหรือว่าใช้อุปกรณ์บางอย่างซึ่งถ้าบอกว่าจิตของคนที่ถูกสะกดอยู่เนี่ยเป็นจิตที่มีกำลังลเขาก็ไม่สามารถสะกดได้ไม่สามารถที่จะมาควบคุมจิตของเราให้ไปตามอำนาจของเขาได้นะนั่นแสดงว่าท่านท่านกำลังจะยอมจะบอกว่าการสะกดจิตเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ ใช่ไหมค ะ, ะและการสะกดจิตเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปนในทางรักษาโรคเป็นไปนในทางที่ทําให้ลดละเลิกของที่ไม่ถูกต้องดยท่านได้ยินว่าสะกดให้เลิกบุหรี่ก็ได้สะกดให้เลิกเหล้าอะไรเงี้ยนะคะคือคือในลักษณะนั้นเนี่ยคือหมายความว่าผู้ที่ถูกสะกดต้องยอมด้วยนะผู้ที่ถูกสะกดเนี่ยเขายอมให้คุณสะกดนะยอมให้ผู้ที่สะกดจิตเนี่ยสะกดคุณได้เพราะฉะนั้นพอ<ม>เขายอมให้เสร็จปุ๊บหมายความว่าอะไรตรงนี้ ก็คือกระบวนการเดียวกันกับคําสั่งของบรรชาคือคุณมีศรัทธาแต่ ค, ค, คุณมีความมั่นใจในในคนเนี้ยให้อยอนไม่เข้าสะกดจิตนะเขาไหวยังไงก็ว่าตามนั้นแต่นะ<อ>เขาไหวยังไงเราก็ตามนั้นเพราะฉะนั้นในในลักษณะคือคืออันเนี้ยมันเป็นทางที่มันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเขาพาไปดีก็ได้พาไม่ดีก็ได้นั่นกับสิขาที่กำลังบอกว่าดีๆเนี่ยแล้วเจ้าตัวยอมด้วยเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาแต่จริงหรือไม่ ที่คนอื่นเนี่ยสามารถสะกดจิตเราในทางที่ไม่ดีได้เพราะบางคนอาจจะกลัวเรื่องพวกนี้อยู่ค่ะเออเป็นไปได้นะอย่างกิเลสอย่างเงี้ยเป็นต้นกิเลสเราพูดถึงทุกๆวันเราเจอทุกๆวันเนี่ยให้เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีอย่างเช่นด่ากันว่ากันแหมแต่พอเขาขับปาดหน้าหน่อยมันเริ่มออกมือออกไม้นปากเริ่มขยับทั้งๆที่เรารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะไม่ควรทําอ่ะแต่พอถึงเวลามันทําอ่ค่ะอันนี้อันนี้มันมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลย เช่นเดียวกันมันก็จะมีเทคนิคที่เขาจะสามารถทำได้นะคนที่เขาทำเนี่ยก็ในการที่ไม่รู้เราย้อน้วยแต่เขาจะมีเทคนิคที่พูดให้เราไปตามคำที่เขาพูดได้พวกที่สะกดจิตเขาทาได้อยู่ดังนั้นดิฉันฟังดูเหมือนกับท่านบอกว่าถ้าฝึกจิตที่ดีเนี่ยใครทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องแม้ว่าเราจะอยู่ในเหมือนกับเราก็ไม่รู้คนนี้มายัางไง่าเราก็ไม่ได้ตั้งรับ แต่เราฝึกจิตไปดีแล้วอย่างเงี้ยอย่างนั้นหรือเปล่าคะเป็นไปโดย อ, อ, อัตโนมัติใช่ไหมครับใช่ใช ค, คือจิตที่ฝึกดีแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีสติตั้งมั่นเอาไว้เพราะพุทธเจ้าเปรียบสติเนี่ยเหมือนกับเสาะตะลุงเสาตะลุงนี่คืออะไรคือเสาที่เป็นไม้แก่นอย่างดีแน่นหนาฝังลงไปในดินลึกทํามุม90องศาอย่างแน่นหนาแล้วก็มีสายโซ่คล้องออกมานําผูกสัตว์เช่นช้างหรือว่าม้าให้มันอยู่ได้ เช่นเดียวกันว่าถ้าเรามีสติตั้งมั่นเหมือนเสาตะลุงเนี่ยเราผูกจิตของเราไว้ตรงนี้เนี่ยใครจะมาชักดึงไปไม่ได้ค่ะค่ะนะค ะ, ะมีคำถามอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งดิฉันไม่ทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องการฝึกจิตหรือไม่คือมีคุณหมอใช่ไหมคะเข ม, มีความตั้งใจอยากที่จะลดความอ้วนก็คงจะมีความตั้งใจว่าจะไม่นั่นจะไม่นี่จะไม่นูน่น แต่สุดท้ายก็นั่นนี่โน่นที่ตั้งใจว่าจะไม่อย่างนี้แปล ว, ว่าอะไรคะค่านคคือหมายว่าเช่นว่าจะไม่กินข้าวเย็นหรือว่าจะไม่กินของหวานอะไรเงี้ยนะ<ช>จะไม่กินของทอดแต่ก็กินไรที่ตั้งใจว่าจะทำเช่นว่าจะออกกำลังกายหรือว่าจะทำอะไรที่กินอาหารที่มีสุขภาพแต่พอจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำอย่างเงี้ย ค่ะดิฉันคิดว่าเหมือนเป็นปัญหาของดิฉันเองเลยนะคะเนี่ยทำไม <laughs> สมมุติไม่ได้ตรงและเชื่อว่าต้องตรงกับอีกหลายๆคนเพราะดูเหมือนกับว่าเป็นปัญหาระดับจักรวาลเลยค่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณเดินผ่านตามสามแยกสี่แยกร้านรวงอะไรต่างโอ้โหมันมีของยั่วยวนร่วรวงเรามากเหลือเกิน นะถ้าจารย์เข้าบางทีเป็นอย่างนี้นะคะถ้าไปเจอร้านอาหารที่ฉันนึกว่าตามปกตินะไปเห็นแล้วมันเกิดความรู้สึกไปตามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมคะมมมแต่ว่าบางทีเนี่ยอยู่ในบ้านเลยต่โหฝืนมานะตั้งแต่เย็นนะพันน้อยๆ อ, อะไรอย่างวี้อย่างนี้มตาตบ่าแตกตอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยก็คงมีกันเยอะนะคะอื ม, อมสมัยก่อนที่มาเขาเป็นคุณจมติ๋วตอนเป็นคาราว่าเนี่ยนะตืนช้ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเจ็บเจ็บปากกันละวันนี้อยากกินอะไร นะ <Okay. S 1> แล้วไปตามอํานาจสิ่งนั้นวันนี้อยากกินบาคุเตนะต้มกระดูกหมูออาไปไกลแค่ไหนก็ไปนะชวนเพื่อนกันไปนะเพราะว่าเป็นไปตามอํานาจปากนะคือหมายก็ว่าเป็นไปตามอานาจของสิ่งที่มากระทบเหนะใจมันตกอยู่ในอํานาจสิ่งนั้นนะแล้วถ้าใจเราไม่ได้ฝึกเราตกอยู่ในอํานาจของจิตจิตมันก็ไปตามสิ่งที่มากระทบตรงนั้น <Okay. S 1> นะเพราะฉะนั้นใ น, ในกรณีนี้เนี่ยทำไมคําถามก็คือว่าทําไมเราถึงแบบ แพะกิเลสอย่างง่ายง่ายได้อ่ายอมมันตลอดชีวิตเลยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยแพ้เรื่องนั้นเรื่องนี้นยอมมันตลอดบางทีตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือทักสามชั่วโมงอ่านไปได้ยี่สิบนาทีเดี๋ยวเปิดอินเทอร์เน็ตล่ะเนี่ยเดี๋ยวดูทีวีละเดี๋ยวไปนอนละง่วงขอนอนก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันมันพ่ายแพ้เนะี่ยที่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าจิตเนี่ยมันไหลไปตามอํานาจของไปในทางต่ํา สิ่งที่จะไปยึดถือมีเยอะแยะของที่มาจะล่วนลวงยั่วยวนเราให้ไปยึดถือมีมากมายจิตมันจะไปทั้งนั้นดังนั้นคําตอบของคําถามนี้ก็คือเอาท่านหลักการก่อนนหลักการก็อย่างที่พูดเมื่อสักครูว่าเราต้องตั้งสติเอาไว้ต้องมีที่ที่ให้จิตเนี่ยมันมีที่เกาะการเกาะตรงนี้ก็คือใช้คําว่าสรรนะที่เกาะที่พึ่งที่จับแต่ที่เกาะที่พึ่งที่จับตรงนี้เราใช้สติได้แต่ที่นี้แสดงว่า จิตที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยสติเนี่ยไม่มีกําลังมีกําลังไม่พอเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับเสาเนี่ยนะที่ว่าสติเป็นเสาตะลุงเนี่ยนะทีนี้ถ้าบอกว่าเสาเนี่ยมันเป็นเสาไม้ซีกอย่างเงี้ยเป็นเสาไม้ไผ่แทนที่จะปักอยู่บนดินแน่นแน่นแข็งแข็งมันก็ปักอยู่บนขี้เลนใช่ไหมพอเสาไม้ไผ่ปักอยู่บนขี้เลนเอาแค่ไม่ต้องอะไรมาดึงอะ่ะแค่ลมพัดเนี่ยมันก็ล้มแล้วอืพอมันล้มปุ๊บมันก็ไม่สามารถพึงได้แล้วก็ ไปตามทวดที่ตัวแดนเพราะฉะนั้นไอเสาที่เราว่าจะตั้งขึ้นเนี่ย<ม>ก็คือสติที่มันไม่มีกําลังสติที่ <Okay. S 1> ไม่มีกําลังมันก็เลยไปไม่ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอ้เราจะฝึกสติให้มีกำลังยังไงฉันก็ไปปฏิบัติตามมาแล้วนะ <Okay. S 1> ฉันก็หาหนังสือทำมานะฉันก็รักษาศีลนะอย่างนี้เป็นต้นนะ <Okay. S 1> ซึ่งถามว่าตรงนั้นทําดีไหมดีแน่นอนอันนี้ก็ช่วยไดนะ้อันหนึ่งที่คิดว่าจะช่วยได้มากๆเลยนะสําหรับผู้ที่ครองเรือนอาจจะไม่ได้ ปีหนึ่งอาจจะไปปฏิบัติธรรมแค่ได้สักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอะนะอย่างมากไม่ได้เหมือนกับพระที่ฝึกอยู่ตลอดเวลานะ <Okay. S 1> อันหนึ่งที่ที่เราจะปฏิบัติได้มากๆเลยก็คือว่าในช่วงระหว่างวันเนี่ยช่วงระหว่างวันในที่เรามีสติสมัมปชัญญะอะไรต่างๆเนี่ยเราฝึกในการที่จะให้ตั้งสติ ข, ขึ้นในช่วงระหว่างวันนะครับว่าช่วงระหว่างวันเนี่ยหมายความว่าในขณะที่คุณขับรถในขณะที่คุณพูดกับใครในขณะที่คุณอ่านอ e ีเมล หรือคุยโทรศัพท์ก็ตามเนี่ยฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนาทีละน้อยแล้น้อยแล้วน้อยตรงนี้ช่วยได้นะขอ้อข้อที่2ตอนตื่นเช้ามาเลยนะตื่นเช้ามาก่อนลุกออกจากเตียงเนี่ยขอสัก5นาทีนั่งสมาธิก่อนเนีย่ยสัก5นาที10นาทนะีนั่งสมาธิตรงนั้นทําจิตให้สงบนี่อย่าคิดอะไรมากนะวางวางวา ง, วางสิ่งนั้นวางสิ่งนี้นะตอนก่อนนอนนะเอ่อก่อนที่จะเองการลงนอนขอสัก5นาทีนะนั่งสมาธิตรงนั้นก่อน อันนี้ <Okay. S 1> ช่วยได้ทีเล็กน้อยเล็กน้อย น, อยนะ <Okay. S 1> แล้วข้อที่3 <Okay. S 1> ข้อที่3ในระหว่างวันเนี่ยเราก็ฝึกหัดในการที่จ ะ, ะเสพธรรมะแทนที่เราจะฟังเพลงใช่ไหมเราก็ฟังเทศแทนอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แทนที่เราจะไปโกบกับคนไม่ดีเราก็อย่าไปคุยกับคนที่ไม่ดี น, น, นั่คือข้อที่4พูดถึงเรื่องของการที่เรามีเพื่อนดี <Okay. S 1> มีเพื่อนดี <Okay. S 1> นี่ช่วยได้มากแล้วถ้าเปิดว่าคุณผิดสีนี่โอ้มันจะอ่อนเลยล่ะ จิตก็จะยิ่งอ่อนกำลังเพราะฉะนั้นศีนเราต้องรักษาให้ดี น, น, นี่คือ<ม>กรณีว่าถ้าเรารักษาศีนดีแล้ว น, น, นี่คือสีข้อที่เราจะสามารถทําเพิ่มเติมได้ค่ะก็ท่านก็เลยบอกว่าถ้าในทางด้านของหลักพระพุทธศาสนาที่จะเอามาประยุกต์ใช้แล้วทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งต่อการต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงสติเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกใช่นะคะให้ตั้งขึ้นในช่วงระหว่างวันคือเหมือนกับว่า ไม่จำเป็นว่าต้องนั่งสมาธิเป็นรูปแบบถูกต้องอย่างนั้นไหมคะถูกต้องถูกต้องทำอะไรทุกอย่างขอให้นึกถึงสติไว้ก่อนตแล้วการจะมีสติได้ดีช่วยเวลามางคนบอกไม่มีเวลาเลยก่อนลุกจากเตียงห้านาทีห้านาทีก่อนนอนห้านาทีใช่ห้านาทีไม่น้อยไปหรอคะท่านคือแหมถ้าทำให้ได้มากกว่านี้มันก็ดีนะเดี๋ยนี้คือพูดถึงว่าถ้าถ้าทำไม่ได้เลยก็ยังน้อยขอห้านาทีนะ แต่ถ้าทำได้ ม, มากสีนาทีเป็น <10 S 2> น้อย ท, ที่สุดที่ควรทําหมครับเป็นมินิมัมที่สุดที่พระพุทธเ จ, จ้าสั่งคือคือ พ, พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สั่งว่าต้องทํากี่นาทีานะ <c oughs> แต่แต่ว่าเราพยายามที่จะใช้เทคนิคต่างๆในการเพิ่ม พ, พระพุทธเจ้าให้ทำตลอดเวลาอยู่แล้ว<อ>ให้ <c oughs> ทําตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าผูดว่า เ, อ เ, อเรื่องการทําตลอดเวลาเนี่ยก็คือที่เราทําระหว่างวันใช่ไหมเราอาจจะมีเผลอบ้างอะไรบ้างแต่ก็ขอให้ระหว่างวันเนี่ยเราตั้งไว้แต่นี่คือเราพูดถึงการทําที่เป็นรูปแบบการเต้นที่เป็นรูปแบบก็คือนั่งคู่ขาเข้ามาหลับตาอย่างนี้ค่ะ เดจังก็ออยากจะเล่าให้ท่านฟังได้ฟังพร้อมทั้งกราบเรียนท่าอาจานด้วยนะคะว่าอในหัวข้อเนี้ยที่ว่าก่อนลุกจากเตียงกับก่อนนอนเนี่ยจะว่าไปแล้วเป็นเวลาที่สะดวกที่สุดสําหรับคนที่มีข้ออ้างอยู่ตลอดเวลาว่ากิจยุ่งเหลือเกินหรือจัดเวลาไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันไม่ต้องตระเตรียมอะไรเลยลุกมาปุ๊บแล้วที่ทางสมมุติว่าที่นอนของเราเนี่ยนะคะอาจจะ ที่บ้านเนี่ยมันคับแคบมันนอนปนเปมันนอนอยู่ใกล้ๆอะไรที่มีภาพโป๊อยู่ข้างหน้าสมมตินะคะในบ้านบางบ้านเขาอยู่ร่วมๆกันเยอะๆอย่างเงี้ยมันมันจะเหมาะสมเหรอคะดูเหมือนกับว่าไม่เหมาะสมกับการที่เราจะปฏิบัติต้องถือว่าปฏิบัติธรรมด้วยะอะค่ะอ๋อก็เพราะว่าเราหลับตานะเราหลับตาครับแล้วเราก็ไม่ได้พูด ก, กับใครค่ะแล้วเราก็ถ้าเขาตื่นกันไปหมดแล้วคือห้องนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเรือนว่างด้วย นะคือหมายก็ว่าไม่ได้มีกิจกรรมอื่นๆในขณะที่ที่เรานั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นอันนี้คือกันว่าการเราพูดถึงการทํำเตียงเป็นรูปแบบนะยังเป็นรูปแบบค่ะทีนี้อก็อาจจะมีอีกคําถามหนึ่งดี่ฉันจะซอกแซกสักนิดหนึ่งนะคะว่าในกรณีที่ไม่มีหรอกที่ว่างในบ้านเพราะว่าพอเราตื่นมาปุ๊บเนี่ยคนในบ้านเขาก็ตื่นด้วยแถมตื่นไม่ตื่นเปล่ายังนอนอยู่บนเตียงข้างๆเราไม่นอนเปล่า เปิดทีวีดูข่าวเช้าอยู่ลำคาญมากเลยสมมุติว่าไม่มีที่อื่นแล้วนะคะมุมตะก็อยู่ในนั้นอยู่คอนโดมีห้องเดียวอย่างเงี้ยเรานั่งสมาธิตรงนั้นเลยเราถือว่าเราผิดปกติไหมคะคือม่ยถึงว่าบางคนชอบพยายามทํานะคะอ่ใช่เพราะว่าความวิเวกเนี่ยมันมีเรื่องของกายวิเวกนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของจิตตวิเวกนี่ก็อีกส่วนหนึ่งหมควาว่าจิตตวิเวกเนี่ยคือหมายความว่าเราไม่สนใจไปในเรื่องอื่นๆภายนอก แต่ให้ใจใของเราเนี่ยไม่คิดเรื่องการปยาบาตเปลี่ยนเบียนไม่ไปหงุดหงิดสิ่งรอบๆอันนี้ก็คือจิตอวิเวกได้ทีนี้คนนี้ก็เลยลุกจากที่นอนอย่างน้อยห้องน้ํามันอยู่คนละห้องกับห้องนอนอยู่แหละไปนั่งสมาธิในห้องน้ําเลยได้ไหมคะได้ได้ท ำ, ทำได้ขอสวมขอประทานโทษนะคะถูกต้องอันนี้ทําได้เพราะว่าในเรื่องของสัมปชัญญะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอยู่แล้วว่าให้รู้ตัวรอบครอบในการถ่ายอุจนะถ่ายปัสวะ อ, อันนี้เป็นพุทธพจน์อยู่แล้ว ค่ะก็ถือว่าอยู่ในกระบวนการข้อที่สองเหมือนกันแหล ะ, ะแล้วกระบวนการในการจะนั่งสมาธิอย่างสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะ เ, เราควรที่จะทำให้สมบูรณ์แบบในห้านาทีนี้ด้วยอะไรบ้างเช่นจะต้องอธิษฐานตอนต้นอย่างไรส่งท้ายอย่างไรทในในตอนแรกถ้าถ้าสมมติมาทำเองเนี่ยน ะ, ะก็จะจะรียไม่ตาบาวนาก่อ น, นคือแบบไม่ตาก่อน แ, แล้วก็ ให้ใจเนี่ยตั้งสติขึ้นโดยใช้ลหมหายใจแล้วก็ความ ค, คิดเรื่องอะไรต่างๆก็วางวางวางความคิดนั้นถ้ามันยังไม่ระงับไปถ้ามีความคิดเราก็ให้รู้ลหมหายใจไปด้วยอย่าลืมหลงลงหมหายใจในช่วงนั้นแล้วก็อย่า<อ>ไปพยายามบังคับจิตเพราะว่าถ้าบังคับแล้วมันจะจะปวดหัวแต่ให้เราเอาจิตขเรามาตั้งอยู่กับลหมหายใจเท่านั้นเองค่ะแล้วสมมุติว่าเราก็รู้เราเป็นคนมีเมตตา อย่างไม่มีประมาณเพราะวได้ยินว่าการเจริญเมตตาเนี่ยดีถ้าเจริญได้ถูกต้องเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยถูกไหมคะใช่และเราก็เวลาจะเจริญเมตตาเนี่ยมีใครที่เราอยากเมตตาทั่วไปหมดเลยภายในห้านาทีนี่เพลอเพอจะแสดงความเมตตาไม่จบมีแบบย่อยๆไหมคะอ๋อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, าบอกว่าให้เจริญจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาเนี่ยชนิดที่ไม่มีประมาณไม่มีประมาณนี่คือหมายความว่าไม่เว้นใครเลยนะ ก็ก ค, คือไม่ต้องไประบุใครใจะได้ง่ายที่สุดใช่ทุกคนนี่คือหมายความว่าคือทุกคนเลยสัตว์ทุกประเภทจะเห็นด้วยตาไม่เห็นด้วยตากี่เท้าก็ตามก็ทุกประเภทเลยแล้วก็ไ ป, เ, ปเราก็คอยได้รับไปด้วยสิท่านงะใช่ใช่ถูกต้ อ, ง, องทุกประเภทแล้ว<ห>ก็ปไ ป, ปทางไปทางด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างหกทิศทางใชไหคะ อันเนี้ยก็เป็นวิธีแผ่เมตตาที่บางคนไม่เคยได้ยินมาก่อนอาจจะงงว่าเอ๊เคยได้ยินแต่ว่าให้สเพสตาใช่ไหมคะ mm hmm. ไม่เห็นมีการพูดถึงตามทิศ ต, ต่างๆเลยสำคัญอย่างไรคณทิศ ต, ต่างๆเนี่ยใครอยู่กันบ้างในเรื่องทิศนี้คือพระพุทธเจ้าก็กำหนดว่าหมายความว่าในทิศทางนั้นในทิศทางนั้นคือไม่ได้ว่าใครอยู่ทิศทางไหนเปยนแต่ว่าถ้าสัตว์อะไรก็ตามอยู่ที่ทางนี้ให้หมด คือให้ทั่วถึงใช่ให้ทั่วถึงกำหนดแบ่งเป็นหกทิศก็เลยให้ทั่วถึงทั้งหกทิศเดบอนใช่ในะคะกลับมาเรื่องของการที่จะฝึกให้ไม่แพ้กิเลสข้อถัดไปนอกเหนือจากนั่งสมาธิข้อที่สามบอกว่าให้ฝึกเสพธรรมะฟังธรรมฟังธรรมค่ะฟังธรรมอยู่เรื่อยๆคือแทนที่เราจะฟังดนตรีเพื่อให้มันผ่อนคลาย จ ร, จริงฟังดนตรีเพื่อผ่อนคลายเนี่ยความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นจากการฟังดนตรีหรือว่าความสุขที่คุณฟังเพลงนี้แล้วมันแบบแหมแฮ ppy อย่างเงี้ยนะไอ้ความแฮ ppy ความผ่อนคลายเนี่ยยังเป็นอามิตรอยู่อามิตรนี่ห ม, มายความว่ายังต้องใช้เครื่องล่อภายนอกในเราใช้เครื่องล่อภายนอกซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีมีประโยชน์ไม่มีปัญหาแต่โทษมีไหมมีโทษมันมีมากกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับลักษณะความสุขความสบายใจที่เกิดจากในภายใน แต่ท <What> ี <nước> ่เกิดจากธรรมะนะโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกในเช่นกรณีนี้เช่นว่าเราฟังเทศแล้วมีความเข้าใจแหมมันซึ้งอยู่ในใจอย่างนี้นะไอความเข้าใจที่ซึ้งอยู่ในใจเนี่ยเป็นลักษณะความสุขความอิ่มเอิบใจที่อยู่ในภายในแล้วเอ่อมันก็ไม่ได้ต้องพึ่งสิ่งภายนอกไงค่ะก็สุดแท้ยแต่ว่าณวันนี้ท่านจะสะดวกอย่างไดแต่ที่แน่ถ้าเศษเนื้อทำก็ได้ทำไปด้วยนะคะใช่ แต่ในส่วนของเพลงเกี่ยวกับสมาธินี่มีคนทําเยอะนะคะระยะหลังทําออกมาขายบ้างทําแจกฟรีบ้างก็ยังเป็นอะไรที่มีอา mith อย่างที่ท่าอาจารย์พูดอยู่ประการที่สี่ที่ว่ามีเพื่อนดีเนี่ยมีเพื่อนดีในที่นี้คือคือมีคนที่เขาให้ธรรมะเราได้หรือไงคะคือหมายความว่าเอาเอาตีละขั้นตอนก่อนเนะีอันนี้การมีเพื่อนดีเนี่ยคุณจะต้องละเว้นจากเพื่อนชั่วก่อน แล้วเป็นจากเพื่อนชั่วก็คือไอ้คนที่มันจะเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมาคล้องไว้กระเรามากๆเนี่ยเช่นพวกที่ชวนไปกินเหล้าพวกที่ชวนไปตีไพ่พวกที่ชวนไปทําไม่ดีเนี่ยอย่าไปโคกับมันหลีกเลี่ยงพวกมันนี้พวกนี้เสียหลีกเลี่ยงพวกนี้เสียแล้วที่เหลือๆนี่ค่อนข้างโอเคแล้วถ้าดีขึ้นมาอีกนี่คือขั้นแรกก่อนนะขั้นแรกคือหลีกเลี่ยงพวกที่เพื่อนชั่วนะบาไม่ดีพวกที่2ก็ทั่วๆไปก็ไม่มีปัญหานี่คือระดับที่2ดีขึ้นมา ระดับที่สามคือเราไปแสวงหาคนที่เขาใฝ่ธรรมะนนี้คือระดับที่สามในในข้อที่จะมาพูดว่ามีเพื่อนดีเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าเราทําระดับไหนได้เราก็ทําระดับนั้นไปหนึ่งสอ ง, สองหรือสามแต่หนึ่งเนี่ยขอให้ทําเลยเพราะว่าไปคบกับคนชั่วเนี่ยมีเพื่อนชั่วคนเดียวเนี่ยสู้มีศัตรูร้อยคนยังดีกว่าค่ะก็ลองพินิพิเคราะห์กันนะคะว่าคนไหนที่เราควรจะห่างๆเขา ก็บางทีดูไม่ออกนะคะดูเหมือนกัเฮฮาก็สนุกดีไม่เห็นมีอะไรเลยกินเหล้ากันแก้วสองแก้วขวดสองขวดก็แค่เมาแล้วก็กลับบ้านอย่างเงี้ยบางคนก็เลยคิดว่าเอาถ้าเราไม่ดื่มเนี่ยเราจะเสียเพื่อนมีคนคิดอย่างจริงจริงนะคะจะกลายเป็นคนที่ไม่อยู่ในสังคมอืมอืมค่ะก็ <c oughs> คือคืออย่างนี้สมมติเขาเป็นคนดีหรือเปล่าเราต้องดูกันถ้าถ้าสมมติเขาเป็นคนดีคือคือดีหรือไม่ดีเนีน่ยนะอาจจะดูที่การที่ชวนกินเหล้าเนี่ยก็ส่วนหนึ่งทีนี้ดูซิว่า โดยทั่วไปในร้อซของเขาเนี่ยเขาชั่วมากกว่าหรือดีมากกว่าค่ะคือถ้าคนที่ชั่วมีน้อยหนึ่งเช่นว่าอาจจะชวนไปกินเหล้าแต่ทุกอย่างมันดีหมดเลยนะเป็น ค, คนที่มีเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่มีน้ำใจช่วยเหลือขยันขันแข็งรูจร้จักประนีประนอมแม้แต่มันชอบชวนไปกินเหล้าไว้คนนี้เป็นเพื่อนดีนะถือว่าเป็นเพื่อนดีแต่ว่าเขาประมาทอยู่ตรงจุดหนึ่งคือตรงที่เขากินเหล้าเราเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเราต้องช่วยรักษาตอนที่เขาประมาท คือสมมติเขาชวนไปกินเหล้าใช่ไหมเออเพื่อนเราไปเล่นกีฬากั น, นหรือว่าถ้าเขาชวนเราไปกินเหล้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราไปเราก็ต้องแทนที่จะบอกให้เขากินมากเราก็บอกให้เขากินน้อยคือ อ, อยู่ที่ใครชวนใครเราต้องชวนเขาไปในทางดีอันนี้คือประเด็นค่ะคือพิจารต้องใช้พินิจพิจรารณาตามข้อเท็จจริงที่ท่านสัมผัสอยู่ว่าควรปฏิบัติอย่างไรแต่ว่าท่านหลักการเนี่ยอย่างแรกต้องเลิกหรือว่าต้องห่างไกลคนที่ไม่ดีก่อนอค่ะเอ่อแล้วแล้วตรงนี้คือกระบวนการที่ จะสนับสนุนให้เรามีความมีสติตั้งขึ้นต่อมากระยมเตี่ยว <Okay. S 1> กระบวนการที่พูดถึงตรงเนี้นี่คือเป็นบางบางข้อเฉยๆนะสี่ห้าข้อที่เราพูดถึงในที่นี้ทีนี้ถามว่าไอกระบวนการการที่เราทําตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการทําจรงิงหรืเป็นการ <Okay. S 1> กระทํานะ่ยซึ่งมันต้องอาศัยการทําอ่ะคือคุณต้องทำอ่ะทำด้วย <Okay. S 1> กายด้วยวาจาหรือด้วยใจอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ว่าคนที่เขาจะมาทําตรงนี้ได้เนี่ยมีการกระทําเกิดขึ้น take action เนี่ย เขาจะต้องมีความมั่นใจมีความศรัทธานะในคำสอนของพระพุทธเจ้าซก่อนค่ะนะทีนี้ถ้าบอกว่าศรัทธาไม่ร้อยเปอร์เซ็นการกระทํามันก็จะเหยาะเหยาะแย่แยนะารพอการกระทํเยาะเหยาะแย่ๆคุณจะมาหวังผลสติที่มันตั้งขึ้นอย่างมีกําลังคุณจะไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นทํา <พอ S 1> เนี่ยต้องทําจริงอย่าทำเหยาะแย่ค่ะเ<ๆ>ดีิฉันก็เลยกําลังคิดว่าฟังจากท่านเนี่ยน่าจะสรุปได้ในลักษณะหนึ่งคือ เหมือนกับตัวเองก็เป็นนะคะหลายๆอย่างที่เราอย่างเช่นดิฉันเนี่ยชอบดื่มกาแฟมากมเราก็บอกตัวเองว่าวาันนี้จะดื่มกาแฟน้อยลงยิ่งวันไหนถ้าบอกเนี่ยนะคะไปยุ่งกับการใส่ใจอย่างนี้มากๆเนี่ยดูเหมือนกับจะเดินไปหากาแฟอยู่มากขึ้นอันนี้นนเป็นตัวอย่างถ้าฟังจากท่านเนี่ยถ้าเราจะเอาคำสอนพระพุทธเจ้าไปช่วยอันนี้น่าจะ เ ป, เป็นเทคนิคสําหรับคนที่ยังทําอะไรไม่สําเร็จนะคะก็คือว่าศรัทธาเนี่ยสาคัญเหมือนกับเรารับปากไปเรื่องสัตวจ้าวะคะ่ะว่ารับปากกับตัวเองรับปากพระพุทธเจ้ารับปากไปแล้วอ่ะนะใช่ไหมค่ะทีนี้พอคนที่ใส่ใจในการที่จะกระทําตั้งมั่นจริงได้สิ่งหนึ่งเนี่ยคือการตั้งปณิธานอย่างแรงกล้า น, นี่คืออธิษฐานนะอธิษฐานนะอธิษฐานนี่คือหมายความว่าคุณตั้งใจในการที่ทําสิ่งนี้เลยแล้วแน่นอนพออธิษฐานจิตปุ๊บเนี่ย มันจะต้องมีเครื่องมาทดสอบอันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซนเพราะอะไร <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าสมมติมันไม่มีอะไรมาทดสอบเนี่ยเช่นเราว่าวันนี้เราจะไม่กินกาแฟเนี่ยแต่ไม่รู้รถสขายกาแฟมันมาผ่านหรือใครทำชงกาแฟกลิ่นมันหอมเหลือเกินเนี่ยมันจะมาทดสอบทดสอบอะไรทดสอบกําลังใจของคุณไงทำไมต้อง<ะ>ทดสอบอ่ะก็ฉันตั้งใจแล้วก็ถ้าไม่สอบเราจะรู้ว่าความตั้งใจนั้นมันมีกําลังจริงหรือไม่ะะอันนี้มันธรรมดาค่ะอเราอาจจะยกตัวอย่าง จากคำถามที่ว่าตั้งใจจะทำโน่นทำนี่ทำไม่ได้เป็นการแพ้กิเลสฟังดูเหมือนเรื่องทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟังจากที่ท่านอาจารย์พูดทั้งหมดโดยใช้คำตอบจากคำสอนของพระาศาสดานี่ก็คือว่าเป็นการปฏิบัติทมเป็นในตัวด้วยเลยถูกต้องอ แ, ล แ, ล แ, ลแล้วในกระบวนการนี้เราจะเห็นได้ว่าเราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ทาในชีวิตประจำวันของเราได้แล้วก็ไอความคิดที่เราคิดว่า เออฉันจะต้องมาอยู่ในร่องในรอยนะ่ะฉันคิดว่าฉันจะมาหันหาในแนวทางที่จะไม่ให้แพ้กิเลสอย่างเงี้ยไอความเห็นตรงนี้คูณคุณเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วค่ะแล้วการที่พยายามจะตั้งสติขึ้นเนี่ยนี่คือสัมมาสติอยู่แล้วแล้วการที่เราจะมาพยายามกระทําเช่นว่าเออฉันเลิกกบเพื่อนชั่วนะหรือถ้าเพื่อนมันชั่วฉันจะดึงมันมาทางดีในการรักษาศีลการที่จะทรงสติสัมปชัญญะเอาไว้นี่คือสัมมาวายามาอยู่แล้วค่่ะอยางค่ะ ท่านอาจารย์คะก็เลยอมันเหมือนกับกระบวนการเนี้ยเป็นกระบวนการที่เรากําลังจะพยายามทําในสิ่งที่คนทั่วๆไปทําได้ไม่ง่ายนะคะบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่เห็นต้องเกี่ยวข้องกับาศาสนาเลยเนี่ยแต่เป็นกระบวนการที่คนอื่นทําได้คนทั่วๆไปทําได้ไม่ยากค<า>่ะไม่ยา ก, ยากทาได้ไม่ยาก แต่แต่คือถ้าจะบอกว่าทําได้ไม่ง่ายเนี่ยก็คือหมายนว่ามันก็ไม่ยากะนะไม่ยากเกินความสามารถที่เราจะทําค่ะและสําหรับคนที่อคิดว่ามีปัญหาแบบเดียวกันก็ลองนะคะมันจะมีอยู่นิดนึงที่คนมักจะคิดว่าพฤติกรรมพวกเนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศีลแต่บางคนเนี่ยโอ้โหศีลห้าข้อนี้รักษาได้ครบเลยนะคะอืมคือเข้าใจว่าตัวเองรักษาได้ครบแต่แพ้ใจในเรื่องทานองนี้นั่นแสดงว่ายังเข้าใจกันคลาดเคลื่อน อ, อยู่ ใช่แล้วจริงๆคําว่าศีลเนี่ยน ะ, ะสอสลาหือถ้เป็นภาษาบาลีจะเป็นสอเสืสอสลีหอหลิงเนี่ยศีละเนี่ยมันมีความหมายในในรากศัพท์ของเขาเนี่ยหมายถึงความเป็นปกตินะว่าปากติฉันเป็นอย่างนี้นะปกติก็จะไม่ดื่มเหล้าปากติจะดื่มน้ำมนุษย์ทั่วไปมันจะเป็นอย่างงี้น ะ, ะปกติก็จะไม่ด้ดื่มกาแฟกันก็จะดื่มน้ํากันอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ มันก็เอาไปประยุกต์ใช้กับปัญหาของแต่ละท่านเองก็แล้วกันนะคะในสภาพความเป็นจริงของปัญหาของท่านทั้งหลายวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าครอบจักรวาลไหมคะท่านคะใช้ได้ทุกปัญหาทํานองเดียวกันถูกต้องสตินี่ไปทุกที่ท่วดไปได้หมดดีหมดค่ะนะคะวันนี้เราใช้เวลากันมาพอดีพอดีเลยค่ะก็กราบนวัดสการขอบพระคุณพระมหาภัยบุญอภิบุญโญจากวัดป่าดอนายสซอุดรธานีเป็นอย่างยิ่งนะคะในวัดสกา ร, การคะ่ะ ท่านฟังที่เคารพค่ะวันนี้เราก็ได้ง่ายคิดไม่ได้ง่ายคิดนะคะเป็นวิธีการเลยละ่ะที่จะไปจัดการกับสิ่งที่เราพยายามทำมาแล้วแต่ต้องพ่ายแพ้จิตถือว่าพ่ายแพ้แก่กิเลสในสุดท้ายทุกๆทีนี้ก็หวังว่าจะทําให้ความตั้งใจของท่านต่อไปนะั้นเป็นความตั้งใจที่ไปถึงปลายทางสําเร็จลุล่วงร้อยเปอร์เซ็นตกันนะคะพบกันใหม่กับรายการสรสนีสนทนา ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเ6มร้อยในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากดิฉันสันสนีนาธงพุทธสวัสดีค่ะ